น้อยมายาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีรังพึ่องอยู่บนต้นไม้ในป่าลึกและวันนี้เป็นวันสําคัญสําหรับพึ่งทุกตัวที่อยู่ในรงังวันนี้เป็นวันที่พึ่งน้อยออกจากไข่นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องเดาของพึ่งน้อยแสนวิเศษอ่าอ่าสายตาจังเลยทําไมมืดจังว้า Oh. นี่คือเรื่องราวของมายาพึ่งน้อยเร็วเข้าเอาพวกเขาออกมาอยู่กับที่นะจ้าหนูหนูหนอืมฉันขอตั้งชื่อให้หนูว่า ม, มายามามายาเดี๋ยวนะทำไมต้องชื่อมายาทำไมต้องมีชื่อด้วยล่ะคะเออก็ ไม่มีใครบอกฉันเลยว่าต้องมาตอบคําถามด้วยแต่เอาเถอะเรามีชื่อเพราะคนอื่นจะได้เรียกเราถูกยังไงล่ะเจ้าถ้าฉันเรียกว่าพึ่งฮะว่าไงอร่อยเนอะเรียกฉันหรือเปล่า <c oughs> รู้แล้วใช่ไหมว่าทําไมเราต้องมีชื่อค่ะเพราะว่าเราเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันใช่แล้วล่ะเจ้ามายา เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะจ๊ะมาเร็วทุกคนตามฉันมาข้างนอกามาอย่ารู้สึกตื่นตาตื่นใจธรู้สึกเหมือนอยู่ในลูกโป่งสีทองวาววับพึ่งทุกตัวมีหน้าที่ของตัวเองบางตัวทำความสะอาดผนังของรังพึ่งบางก็เทละอองเกสรดอกไม้ลงในบางสิ่งที่ดูคล้ายกับเพชรบางก็เดินเรียงกันเป็นแถว เอาละทุกคนจะได้รับมอบหมายหน้าที่พวกที่ทำความสะอาดผนังคือแผนกทาความสะอาดแล้วก็มีพึ่งเก็บเกบสรและก็พึ่งงานทำไมต้องทำงานด้วยคะนู้เป็นพึ่งแบบไหนกันพึ่งจะไม่ตั้งคำถามโอ้จูเลียนอย่าดุไปซี่เธอยังเด็กนะมายาเราต้องทำงานเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเราจะรู้สึกว่าไร้ประโยชน์และคงงงกับหน้าที่ของตัวเราเอง ถ้าแผนกทำความสะอาดไม่ทำความสะอาดรังพึ่งคงสกปรกถ้าพึ่งเก็บเกสรไม่เก็บน้ำหวานของเกสรดอกไม้มันคืออะไรคะน้ำพึ่งทำจากน้ำหวานของเกสรดอกไม้นั่นไงเห็นพวกเขาไหมพวกเขาคือพึ่งเก็บเกสรพวกเขาหาน้ำหวานของเกสรดอกไม้จากนั้นพึ่งงานก็นำมาทำเป็นน้ำพึ่งพึ่งเก็บเกสรเก็บน้าหวานและพวกเขา เอามายัางไงคะอ้เมนูน้อยเก็บไว้ในกระเพาะ si พักน้ำผึ้งยังไงละจ้าเราทุกคนมีเหมือนกันอู้ท้องที่ทำให้เราหิวใช่ไหมคะไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะ น, นั่นคือกระเพาะอาหารเฮ้ยถ้าเอาแต่ตอบคำถามเธอเนี่ยเราจะอยู่นี่ทั้งวันแน่เลย ทไไไไมมดด้้อยู่่่่่ีีนนัังวละคะหลายวันผ่านไปพึ่งน้อยต่างก็ได้รับมอบหมายหน้าที่บ้างก็ทําความสะอาดผนังด้านในรังบางก็เก็บกวาดใบไม้แห้งด้านนอกบางก็เก็บน้ําหวานจากเกสรดอกไม้บางก็คอยปกป้องรังเพื่อจากศัตรูทุกตัวต่มีหน้าที่ของตัวเองยกเว้นมายามายาเห็นทุกสิ่งต่างไปจากตัวอื่นเมื่อเห็นตัวอื่นทําความสะอาดผนังด้วยมือ ไม่อย่าเลือกจะเป่าผนังแทนที่จะใช้มือและคิดว่างานเสร็จแล้วพอเห็นพึ่งเดินเป็นแถวม่อก่อควรจะทำไมเนี่ยโอ้ทุกคนกลัวว่าหนูจะหางานที่เหมาะสมไม่ได้ก็เลยอยากจะลองดูว่าหนูเดินได้เหมือนคนหรือเปล่านะแล้วใครเขาเดินกันแบบนี้ละ่ะหะเด็ก คุณหนูก็เป็นหนูเราจะเดินเหมือนกันได้ยังไงล่ะคะคุณน่ะเดินแบบหนูได้หรือเปล่าล่ะโอ้ได้สิดูนะออ้ยเยเเดี๋ยวฉันมาทำบาอะไรเนี่ยเล่นเอาเคลิ้มตามเลยนะเนี่ยฮะเธอจะเป็นพึ่งแบบไหนกันโอไม่นะหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย <S <S 2> <S 2> คาสาน ร, ราพึ่งงานหรือแม้แต่ราชินีพึ่งก็หาตำแหน่งที่เหมาะสมให้กับมายาไม่ได้ไมายาเห็นอะไรก็สงสัยไปหมดและเอาแต่ตั้งคำถามอะไรอยู่บนหัวท่านเหรอท่านพึ่งสาวพูดกับพึ่งราชินีแบบนั้นได้ยังไงกันกระหม่อมขออภัยพะยะค่ะ <c oughs> มายาช่วยบอกทีว่าทําไมหนูถึงไม่ทํางานที่เราให้ทํากันล่ะจ้ะเออคือว่าไม่รู้สิคะทุกคนที่นี่น่ะดูยุ่งอยู่ตลอดเลยเอาแต่ทํางานทํางานแล้วก็ทํางานหนูเห็นแล้วไม่มีความสุขวันนั้นที่หนูออกมาจากรังเหลี่ยมทรงเพชรไหลออกมาแล้วก็บินไปบินมาบินไปบินมา ความฝันของหนคูคือการได้บินออกไปดูโลกภายนอกตอยจริงที่เธอพูดเรื่องอะไรของเธอเนี่ยความฝันความสุขเหรอเธอเป็นพึ่งแบบไหนกันพึ่งไม่มีความฝันนะโอ้ขออภัยเพคะฝ่าบาทมาย่าไม่ได้คิดร้ายอะไรค่ะหม่อมฉันพยายามหาหน้าที่ให้กับเธอแต่เธอเอาแต่พูดเรื่องออกไปข้างนอก บางทีนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะกับเธออาจจะเป็นงานถนัดของเธอเราส่งเธอไปเก็บน้าหวานเกสรดอกไม้ได้นะเพคะโอ้ถามพึ่งว่าเขาอยากจะทำอะไรเหรออืมนี่เป็นครั้งแรกเลยนะน่าแหละทำเอางงเลยอ่ะพึ่งเหล่าพึ่งรับมอบหน้าที่ตั้งแต่ออกจากไข่ถ้าการทำเช่นนี้เป็นผลดีต่อรังพึ่งของเรา ก็จงทำซะเธอโตพอที่จะไปเก็บน้ำหวานเกสรดอกไม้แล้วฝึกเธอแล้วส่งออกไปทำงานซะเพคะฝ่าบาทมายาไดเรียนรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับดอกไม้จากนั้นก็ฝึกงานโดยการตามฝูงขึ้นมายาถูกเตือนว่าอย่าบินออกนอกฝูงอยู่หลายครั้งและยังถูกเตือนให้ระวังแตนอีกด้วยเพราะว่าแตน เป็นศัตรูของผึ้งพวกมันพยายามจะขโมยน้ำผึ้งและพยายามที่จะทำร้ายผึ้งเราต่อยพวกแตนไม่ได้หรอคะถ้าเขาทำร้ายเราเออมายาพวกแตนฉลาดมากขึ้นพวกมันสวมเกราะทุกครั้งที่จู่โจมเราจะมีเพียงแต่คอที่เราต่อยมันได้เพราะมันไม่ได้ใส่หมวกป้องกันแต่แทบไม่มีผึ้งตัวไหนเลยที่สามารถต่อยแตนได้ ดูแลตัวเองให้ดีๆอย่าให้พวกมันเห็นหนูเข้าใจไหมเข้าใจค่ะมายาโบกมือลาให้กับคาสันรานี่เป็นการเดินทางออกนอกรังครั้งแรกของมายาทันทีที่มายาออกนอกรังเธอรู้สึกตื่นตาตื่นใจต้นไม้ใบเฟินดอกไม้เต็มไปหมดอทั้ทงน่าสวยจังเลยอยากจะไปเที่ยวทั้ง เอาวบาเราไมา่ทำงานนะมายาไม่ได้มาบิลเลนแล้วก็อยากบินออกนอกฝูงล่ะเขาใจไหมแต่มายาไม่ได้ฟังเลยเธอกำลังเพลิดเพลินกับการออกมาครั้งแรก <c oughs> อ๊ะนั่นอะไรวิปวับจังเลยอ๊ะขอโทษค่ะไม่รู้ว่ามีใครอยู่ตรงนั้นสวัสดีฉันชื่อพิ่มน้อยมายาแล้วเธอละ อ๊อเธอดูเหมือนพึ่งนะและดูเป็นพึ่งที่น่ารักด้วยอ้าวเดี๋ยวนะเธอเลียนแบบฉันเหรออืมไม่ได้รักเลยนะอ๊อเธอทำฉันเจ็บนะไม่มีมารยาทเอาสิเลยอะไรกันอะไรกันอะไรกันนี่เรากำลังเจอกับอะไรเนี่ยมนันดัดปลอมตัวเป็นพึ่งอย่างนั้นเหรอลมลมอะไรนะ ปลอมตัวไงหมายความว่าเธอนี่ยคือมนุษย์แต่งตัวเป็นพึ่งแต่นเป็นพึ่งไม่ใช่มนุษย์นี่ก็พึ่งเหมือนกันแถมเป็นเครผึ้งไร้มารยาทด้วยเจ้าบื้อนะ่ะมันเงาของเธอเงานี่ยไม่ได้หยาบคายแต่ว่าเธอตั้งหากล่าคิดเอาเองทั้งนั้นเหมือนพวกมนุษย์เลยเชื่อฉันเถอะ พวกมนุษย์เองนั่นล่ะที่สร้างปัญหาให้ตัวเองแล้วเออเธอเนี่ยมาทำอะไรที่นี่ล่ะฮะโอ้ขอโทษค่ะเอเอหนูชื่อมายาเพิ่งน้อยมาย า, า, ยาฉันนั่นได้ยินตั้งแต่เธอ น, ะนาะแนะนำตัวเองให้กับตัวเองรู้จักแล้วล่ะนะโอ้จริงด้วยจริงๆแล้วหนูออกมาเก็บน้ำหวานดอกไม้กับฝูงเพิ่งนะโอไม่นะ ฝูพึ่งหายไปแล้วว่าเขาหายไปไหนกันแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวนะเธอพลัดหลงตอนบินกับฝูงพึ่งอย่างนั้นเหรอเธอเป็นพึ่งแบบไหนกันเนี่ยเฮ้ยแล้วจะทำยังไงต่อโอไม่รู้ค่ะเออหนูจะเก็บน้ำหวานเกรสรดอกไม้แล้วก็หาทางกลับบ้านตรงนั้นนะ่มีพุ่มดอกไม้อยู่นะน้ำหวานน่าจะเยอะลองไปดูสิเ อ, อ ขอบคุณที่ช่วยแนะนำนะคะคุณตั๊กเตนฉันชื่อฮอปเปอร์ฟลิปฮอปเปอร์โอ้ขอบคุณค่ะคุณฟลิปฮอปเปอร์ขอบคุณมายากเก็บน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เท่าที่ทำได้และออกเดินทางกลับบ้านเธอบินผ่านต้นไม้สูงและพุ่มไม้แต่หนทางยังอีกยาวไกลโอ้เหนื่อยจังเลยแวะพักสักหน่อย แล้วค่อยบินดีกว่าแบบนั้นแหละดีเลยขนาดนั้นเองมายากําลังมองหาดอกไม้อ่ะลอยชางนะลอยชาลอยชาไม่มีทางจเจ้าพึ่งน้อยราชนินีต้องมอบความดีให้กับฉันแนะ่เราต้องหอกเราต้องหอกราชนินีจะมอบความดีให้กับเราเราเจอจเจ้าพึ่งน้อยน่ารัก อย่าเรียกมันว่าน่ารักจองโง่มันเป็นศัตรูของเราโอ้ใช่ๆช่จะพึ่ง้าตาน่าเกลียดแต่ตามันก็น่ารักนะรีบไปกันเถอนะนาแตนขังมายาไว้ในห้องเล็กๆมายากลัวจึงพยายามหนีแต่ไม่สำเร็จ มีแผแ ล, ล้บสุดยอดจะบอกนี่ฟังนะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปสั่งสอนพวกพึ่งกันโอ้ฉันเอาปากกาแดงไปด้วยดีไหมนี่อะไรนะไม่ใช่สอนแบบนั้นพรุ่งนี้เราจะบุกโจมตีรังพึ่งเตรียมตัวให้พร้อมละ่ะโอ้แล้วตัวที่เราจับมาละ่ะพรุ่งนี้เช้าเราค่อยว่ากันไปกันเถอะน้าไปช่วตทหารเตรียมตัวกัน พวกแตนไม่รู้ว่ามายาได้ยินแผน<ม>ของพวกเขาไม่นะพวกแตนจะบุกโจมตีรังเพื่อนของเราไม่ฉันไม่สิ้นหวังฉันต้องไปช่วยครอบครัวของเราคืนนั้นมายานอนไม่หลับมายาเอาแต่คิดว่าจะทำยังไงดีโอ้ยฉันจะหยุดพวกแตนได้ยังไงนะจะต่อยได้ก็แค่คอของพวกมันพวกมันไม่ได้สวมหมวกป้องกัน แต่ไม่เคยมีพึ่งตัวไหนต่อยแตนได้สำเร็จอ่ะคิดออกแล้วพระอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบฟ้าแตนเข้ามาในห้องของมายาฮัยโจไไหจ้พี่น้อยเฮ้ยหายไปไหนเนี่ยหายอหายอหายเงินสองนัหน้าว่าฉันหน้าตาแนาเกเลยทำไมต้องรีบไปเตือนพว่งแดชินี้ มายารีบบินไปที่รังพึ่งเธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับพึ่งราชนีได้ฟังโอ้ไม่นะเร็วเข้าเราต้องแจ้งทหารให้เตรียมตัวให้พร้อมรับมือเราพึ่งเตรียมพร้อมรับมือแตนเมื่อแตนมาถึงพวกพึ่งก็เข้าจู่โจมสุดกำลังพวกเขาบินขึ้นสูงแล้วดิ่งลงมาต่อยคอของแตนมายาสอนวิธีเหล่านี้ให้กับพวกพึ่งพวกแตนต่างก็งงงวย พวกแตนต่างรีบบินหนีไปเย้ใจราวใจ้า ว, วจิกักล้สีพึ่งแกงที่สุดกล้าหารที่สุดอ้ยอมายาพวกเราทุกคนต้องขอขอบคุณในความกล้าหารแล ะ, ฉะเฉลียวฉลาดของหนูที่ทำให้เราทุกคนปลอดภัยในวันนี้นี่คือบ้านของหนู ทำทุกอย่างเพื่อบกป้องบ้านของเราอู้เจ้าพึ่งน้อยฉันภูมิใจในตัวหนูมากบอกมาสิว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร อ, อ่าหนูอยากเป็นครูค่ะหนูจะเล่าประสบการณ์ของหนูให้ทุกคนฟังจะสอนพึ่งให้เป็นพึ่งในแบบของตัวเองเป็นพึ่งในแบบของตัวเองเหรอใช่ค่ะ ทุกคนชอบถามว่าเธอเป็นพึ่งแบบไหนกันหนูก็เป็นพึ่งในแบบของหนูเราทุกคนเป็นตัวของตัวเองหนูอยากเป็นพึ่งในแบบของตัวเองด้วยพึ่งแบบเธอมันน่าเบื่อ เ, เหมือนฉันจะดีกว่านะอเอาละมายาหนูเป็นครูที่ดีได้อย่างแน่นอนพวกเราดีใจที่หนูกลับมานะ